ธรรมโมจักสกจังโซตะโูเตอนุสนธิพาสธรรมเทศนาเวาลาโอกาสต่อไปนี้ญาติโยมผู้มีบุญทุกทุท่านก็จะได้ฟังธรรมเพื่อจะนำไปเป็นเครื่องเตือนจิตสกิจใจในชีวิตประจำวันของพวกเรา ชีวิตปัจจุบันของเรานั้นเมื่อเรายังเป็นปุถุชนยังบ่ได้ขั้นอริยะจิตของเราก็มักจะแฉลบออกนอกทางไปอยู่เรื่อยเรื่อว่าแฉลบออกนอกทางมันไม่ไปทางสินทางธรรมเท่าไหร่นักมันจะหมกมุ่นอยู่กับโลกิยะธรรม โลกิยธรรมเนี่นเป็นเรียบว่าเป็นโลกไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรกันแล้วแต่เรื่องการเรื่องงานเรื่องโลกเรื่องร้านเรื่องบ้านเรื่องช่องเรื่องไรนาซาโตเรื่องที่ดินที่ดอนเรื่องทุกอย่างลนะ่ะเรียบว่าอันเป็นโลกิยะเป็นของโลกอะไรชาติจิตของเรามีอคำโลก แมันมก็นําความโศกเศร้าโศกาดุลมาให้กันเราส่วนมากมันมักจะผิดหวังทางโลกมันไม่ค่อยให้สมหวังเราแต่เราก็ยังไม่ค่อยอเข้าใจลึกซึ้งการยื้อกับมันไปอย่างนั้นน่ะเอย่าว่าครังครั้งก็อยู่กับแต่ว่าหวานอมขมขื่นไปอยงนั้นน่ะแต่ก็ยื้อได้เมืนน่อ น, น้ำมันมันขึ้นขนาดนี้แล้วก็อยู่กับมันได้ โรคโควิดมาอยู่งี้อะอยู่กับมันได้คือวันชินแล้วพึงนะต้อลวงพ่อเคยไปจางประเทศนี่ไปเขาพูดเรื่องค่าน้ำมันให้ฟังโอ้โหห้าสิบบาทห้าสิบกว่าบาทในเมืองไทยพวกเราเกิดถึงละมั่งนี่เลยถึงแล้วก็ไม่รู้เดี๋ยวแล้วเขอยู่กับบันไดแล้วเพราะนั่นเราต้องพยายามทําใจ ไม่ต้องไปโวยวายไม่ต้องไปเดือดร้อนอะไรมันมากอย่างโลกมันเป็นอย่างนี้แล้วก็อยู่กับมันได้อืมเงินทองได้มาก็รอบันเสียมีมาก็รอบันหมดคนเราพบบรรรอบรรที่จะพลากเจอกันรอบรที่จะจากมันมันมีอะไรแน่นอนสักอย่างกำว่าโลกิยะต่อจากโลกุตะละนี้ โลกุตรละนั่นเนียกว่านิ่งแล้วไม่ฟูไม่แฟบไม่ขึ้นไม่ลงยกก็ไม่ขึ้นกดก็ไม่ลง อ, อันนี้าเป็นโลกุตะละธาโล ก, กีญาตินี่เหมือนเหมือนลูกปป่งเป่าล้มเข้ามาก็พองขึ้นล้มออกมันก็แฟบลงมนะพวกเราเหมือนลูกปง่งมนุษย์ลูกปง่ง ผงแฟบผงแฟบเรียกก็ดีใจเรียกก็เสียใจเรียกก็พอใจไม่พอใจอยู่เนี้ยทีนี่เราจรึงมาเอาคําสอนพุทธเจ้ามาเตือนใจเราว่าวิตกยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ตัวนี้ถ้าจะยกจิตของเราออกจากโลกิยะขึ้นมาสู่โลกุตละมิตกยกจิตจิตขึ้นสู่อารมณ์คือยกมาอยู่กับธรรมะ คำสอนพระพุทธเจ้าธรรมะคำสอนพทะเจ้าท่านให้ดูรูปก่อนพระสติปัฏฐานเสียรูปวิจนาจิตธรรมนะท่านก็ให้นามันดูรูปก่อนนี่รูปก็คือลมหายใจอานาปัญสตินั้นเป็นมงกุศลพระกรรมฐานจะเป็นกรรมฐานที่สูงสุดที่สุด ที่พระพุทธเจ้าของเราบำเพ็ญมาจนได้ถึงฌานสมาบัตรแปดรูปฌปานอารูปฌปานถึงขัน้นหรือว่ามันมีรูปมีแต่อรูปคือมีแต่วิญญาณเขายังไม่ใช่เป็นทางผลทุกข์จริงเพราะยังมีอยู่หลวผพุทธิจ้าจึงบริตตัสรูอชอบได้โดยพระองค์เองเพระองค์จึงสเสด็จออกไปจาก ครูทั้งสองคืออุจจาระบทรามาบ ท, าบทอาดราราบทการลมโคตรครั้งแรกเนี่ย อ, องคหนึ่งได้ฌานสมาบัติเจ็ด อ, องคหนึ่งได้ฌานสมาบัติแปดอยู่ชั้นพรมพวงนี่ทีนี้พระองค์ถามอาจารย์นี่คือสอนเนี่ยจบได้หรือเ่าโอ้จบแล้ววะเพราะนี่ลคือนิพพานวะเอาจบได้งไงยังไม่อรูปอยู่ อย่างวิญญาณนานาจยศนะนี่ไม่มีรูทีนี้พระองค์ก็บอกยังไม่ใช่จึงได้ไปบำเพ็ญทุกรักกิริยาเนี่ยจึงได้ตัดสรุปเป็นพนุทธะสมมาธิสมบทิยานไปเห็นทุกเกศให้เกิดทุกความดับทุกข้อปฏิบัติจถึงความดับทุกเนี่จึงได้ทรงพระนามว่าตัดสรุปชอบได้โดยพระองค์เอง จะเริ่มต้นกับยกจิตขึ้นสู่เนี่ยขึ้นสู่อารมณ์ของธรรมะคือให้มาดูกายกายของเรานี่เป็นก้อนธรรมะอย่างที่เราไม่ต้องอะไรมากก็ไม่ต้องสวดอะไรมากไม่ต้องนึกอะไรมากนึกแค่ถ้าสมมติมันไม่อยู่นะอ่าพดตโวถ้าหากว่าเราเริ่มต้นลองดูว่าถ้ามันสงบเราดูลมหายใจนี่เนี่ยอ่า ลมหายใจนะันคือเป็นรูปพอเราหายใจเราคอยรู้ยกจิตออกจากโลกิยะความบุบวายทั้งหลายทั้งปวงมาอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวสิมาอยู่กับรูปหายใจเขา้าเราก็รู้หายใจออกมาเราก็รู้ทีเพียงแต่ทรงผู้รู้ไว้อยู่กับลมหายใจเทาออกในเว่าดูกาย อ่าวิจารณ์เนี่ยวิจารณ์คือเราสังเกตขึ้นเริ่มสังเกตเด้๋ยวสังเกตว่าเออเราหายใจเข้าสั้นแล้วรู้ว่าหายใจเข้าออกสั้นเราหายใจเข้าพอดีก็รู้จักรู้ว่าเราหายใจเข้าพอดีมาถ้าหายใจเข้าพอดีมันเหมือนกับเรานอนหลับเนาะคุณโยมมันไม่สั้นไม่ยาวแล้วก็รู้ ในวิจารน์หายใจเข้ายาวหายใจออกยาวเราก็รู้ไปตงไปดูที่อื่นตัวนี้ในยอดพระกรรมฐานพระเจ้าชึงโดยทรงทรงสรรเสริญยยอยกจองว่าเป็นมงกุฎพระกรรมฐานกรรมฐานอย่างอื่นกรรมฐานงอกงอกออกมาแร้วเริ่มต้นกับต้นนี้อันต่อมาที่นี่ จิตของเรามันก็จะละเอียดลงละเอียดลงถ้าจิตของเราอยู่เพ่งอยู่ในอารมณ์อย่างนี้ถ้าจะฝึกกันจริงจังเนี่ยเพ่งอยู่ในอารมณ์นี่อย่างน้อยสองสี่วันห้าวันอ่าทีนี้ก็ยกจิตของเราไม่ใช่ยกเราที่ธรรมะเขาจะจัดสรรเองนี่แล้วก็เกิดจิตของเราสงบลงสงบลงแล้วก็จะเห็นนี่ ถ้ามันสงบลงในขั้นกลางนะทีเียวหายใจเข้ารู้สึกว่าเออมันร้อนปบุบป่าปุบปาบ่าปุบปที่ตรงใบหน้าของเราเน่ะอาจารปีคือความเพลินเผากิเลสมันไปเผาจนทุกขุมคนลนะหรือบางทีเรานั่งไปรู้สึกว่ามันจะมีแสงปูบป่าขึ้นมาเนี่ยก็เห็นแล้วก็รู้อ่าอันนี้แสดงว่ามันยกระดับจิตขึ้นไปแล้วที ลงรดาบจิขึ้นมาขั้นที่สองแล้วทีนี้อยู่ในอุปจละสมาธิมาทางสมาธิทีนี้บางท่านจะเห็นนิมิตเป็นสีแสงนั่นสีแสงอย่างนั้นอย่างนี้เห็นเป็นรูปเทวดาบ้างมนุษย์บ้างผู้ผีปีาศาจอะไรก็แล้วแต่อ่าพอมันไปอยู่มิติหนึ่งอีกแล้วทีนี้ อ, อ่ใ น, น่มิติที่สอง เมื่อเราเปิดม่านเข้าไปในอีกมิติหนึ่งแล้วที่เ้าก็จะเห็นว่าเออเนี่ยจิตของเราญาณท่านาจะบอกเนี่ยญาณของเราจะญาณที่เราบำเพ็ญมาเนี่ยสติปัญญาเมื่อสมบูรณ์แล้วจะกลายเป็นญาณเนี่ยเมื่อเราจะบรรลุธรรมจริงๆท่านจึงไม่เรียกสติไม่เรียกปัญญาแต่เรียกญาณ อพอญาณเกิดขึ้นญาณนนจะเป็นผู้บอกบางท่านก็เคยถามว่าเราจะรู้ได้อย่างไงหลวงพ่ อ, เ, อเมื่อเราปฏิบัติไปแล้วเราไม่รู้ญาณเป็นผู้รู้เพราะการปฏิบัติทําเป็นของอัศจรรย์มาก เ, เห็นพวกเราท่านทัง้งหลายสมสมดมของเรานี่ก็ชอบปฏิบัติเลยพูดเรื่องปฏิบัติให้ฟัง่นีง ถ่าน่อมาบางทีรับจะเห็นวออ่ามันเป็นควันออกเนี่ตรงจมูกรูจมูกเนาะหายใจเข้ามันวิยานต้นจะเห็นเลยคุจผู้ชมเห็นว่าควานันน่ะมันเข้าไปผ่านหัวใจลงไปผ่านไปถึงสะดือตรงนั้นลมมันจะไปอยูุดเหนือสะดือขึ้นมาสักสองนิ้ว อ, อันนี้ค้อสังเกตนะนเอ หาใจออกมากันจะเป็นออกมาทีนี้ไอกวันบุรีนะ่นะมาจจดละเอียดลงละเอียดลงละเอียดลงละเอียดลงจนกระทั่งว่ากระทั่งว่าเหมือนก็เส้นได้ขาวๆเมือนเส็จได้ยาวๆ ห, หาใจเข้ามันจะไหลเข้าไปในร่างกายของเราอ่าจิตของท่านก็ไม่ค่อยไปไหนล่ะทีนี้ไม่ค่อยวอกแวกแล้ว ขั้นต่อมาที่ี่เมื่อเราบรรเป็นข้าเป็นเ็นข้ า, เ, เ, เ, ขาเกิดมีความสุขขึ้นมามีความสุขกายโอ้ยสุขใจนั่งอยู่ที่ไหนก็มีแต่ความสุขเหมือนพระปฏิะยะท่านในบรรดุธรรมขั้ น, น, นสูงแล้วนั่งที่ไหนก็ว่าสุขนอสุขนอสุขหนา อ, น อ, อที่นี่นักปฏิบัติทุกวันนี้ นักปราดท่านก็นเลยมาจับเอาตรงนี้อย่างที่พมา่าหายใจเข้าพองหนอหายใจออกมายุบเนอะพองเนอยุบหนอะพองเนาะยุบเนอไปเรื่อยจิตก็สงบได้ก็ไม่เป็นองค์บริกรรมเฉยๆจิตของเราเนี่ยเอาไว้จุดใดจุดหนึ่งก็ได้ในร่างกายของเราแต่ทจริงๆนะเอาไว้ตรงทองให้ไปกําหนดที่ทองไม่เฉพองเนอ ขอมันจะพองเลยหายใจออกมันก็ยุบอ๋ออันนี้ก็ได้แนวเดียวกันอัไรต่างๆถ้าเข้าสมาธิได้มันก็เห็นเป็นภาพเห็นมุ่นเห็นนี่แต่ส่วนมากนักปฏิบัติจะมติจุดตรงนี้เพลิอยู่ตรงนี้อ่าไม่ไม่ให้ก้าวหน้าไปอีกคือเห็นภาพเห็นสีเห็นแสงเห็นสวัสดิ์เนุู่นเห้นี่รู้สึกว่าเออมันเพลินมากเลยแจกว่า ไม่เดินหน้าต่อไปทีนี้เราเห็นอะไรก็แล้วไปเห็นอะไรแล้วก็ปล่อยวางเห็นแล้วก็ปล่อยวางเห็นแล้วก็ปล่อยวางแต่เราบ้องหน้าต่อไปเรื่อยๆจิตของเราก็จะเกิดมีปิติคือความเอิบอิมใจนั่งอยู่ที่ไหนโอ้ยมันอิม่มอกอิ่มใจข้าวปลาอาหารยังอดเลยอดเป็นเดือนๆก็มีสี่สิบกว่าวันก็มี พวกพระท่านอยู่ด้วยแต่ก่อนพวกไม่ฉีเล็กฉีน้อยเขาพอได้ปิติเขาอดกันกุญ อ, อ่าพวกไทยใหญ่เขามาบวชจะด้วย อ, อันนี้แล้วมันก็จะมีความสุขเหมือนกับเออเนี่ยแล้วก็อยากให้เขาโ ม, ม้ต่ออเวลามีการให้มีแต่ความสุขใจสบายใจ กายก็เบาอย่างนี้หายก็เบาถ้าถึงขั้นที่สี่แล้วจะสติกับอุเบกขาอย่างนี้มีเจตสติกับอุเบกขานั่งไปก็ไม่เห็นกายตัวเองไม่มีความรู้สึกนึกคิดอะไรอุเบกขาหมดเหมือนเรานั่งอยู่ในช่องว่างของโลก ไม่คิดว่าเรานั่งอยู่ตรงไหนเลยเกลายก็หายแย่หนักปฏิบัติพอมาถึงจุดนี้ถ้าสติไม่รู้เท่ารู้ทันจริงๆ ก, ก็ควรจะตายจริงๆอ่ะเลี้ ย, ยงลูกจังไม่โตหรือว่าลูกยังมีอยู่เยอะแยะห่วงทรัพย์สมบัติห่วงอะไรตัวอะไรแลวเวลามันมันแวบออกมานะนี่เพราะมันยังไม่แน่นอนจิตมันยังไม่มั่นคงแน่นอน ท่านจึงให้เราสังวรคือสำรวมไว้อให้มีมนต์นัการดวงให้แยีกใครอะไรเกิดขึ้นมาอ่าเราไม่หลงกับสิ่งนั้นนั่นทีนี้เราไม่ตั้งใจลงนัดถ้ามันเฉยแล้วก็เฉยสมัยใดคนเฉยก็เฉยมาจงมายึดเอามาเป็นอารมณ์อะไรทั้งนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นรู้แล้วก็แล้วไปเห็นแล้วก็แล้วไปอ่าเรียกว่าเฉย ความบังเสยจิตไม่เป็นกลางกลางะไร้องเมื่อจิตเป็นกลางกลางแล้วมันจะมีอนุภาพที่นี่อนุภาพมาถึงจุดนี้เราจะไปซ้ายหรือไปขวาสมมตินะถ้าเราไปทางซ้ายไปทางอภิญญาที่นี่ก่อนใดอภิญญารู้จักจิตคนอื่นรู้จักจิตตัวเองยัง ไ, ไม่พอรู้จักจิตใจของคนอื่นคนอื่นนึกยังไงคิดยังไงเข้าใจมด จะไปเดินบนอากาศก็ได้ดำดินไปใต้ดินก็ได้แสดงลิ์ได้เริ่มแล้วทีนี้นไปทางอภิญญาเขาเรียกไปทางอภิญญาสําเร็จด้วยเจโตวิมุตต์ตัวนี้อ่หลุดพ้นด้วยอํานาจจิตอ่าถ้ามาทางปัญญาทัวนี้อย่างบางท่านเอ้คนนั้นเขานั่งเขาเห็นโน่นเห็นนี่แต่เราทำไมไม่เห็นอะไรสักอย่างนั่งมานานแล้ว แต่เห็นอยู่ความรู้สึกมันเกิดขึ้นนีงถ่ายเคลื่อนไหวใจรู้สึกนึกคิดรู้อยู่รู้ทันมันอันนี้กระเดียดสมาธิเคลื่อนไหวตัวนี้สมาธิแบบอภิญญาสมาธินิ่งอมันเป็นมีสองสมาธิอภิญญาอภิญญาสมาธินิ่งสมาธิวิปัสสนาเนี่ยคือชมาบายโมมีความเพียรชอบ สัมมาสติและเลือกชอบสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบวันคุณโยมทุกท่านขณะ น, นี้โยมกำลังเพ่งอยู่ในปัจจุบันกำหนดรู้อยู่ในปัจจุบันนี่หละไม่ไปที่ไหนอนี่เรียกว่าการที่เรารู้อยู่ในอารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดเกิดขึ้นมาแล้วก็รู้รู้แล้วมจะปล่อยวางเอง รู้มันจะปล่อยวางเองที่มันไปปล่อยวางนะั้นเพราะว่าเราไม่ได้รู้ด้วยตาเตะหรืรู้ด้วยจิตเฉยๆถ้ารู้ด้วยจิตจิตเป็นผู้รับรู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นไงแต่จิตตัวนี้ไม่มีสติควบคุมนี้มันก็เลยไหลไปตามอารมณ์ดบบว่าเป็นสติความสืบเนื่องของอารมณ์ไปเรื่อย หมดเรื่องนี้ก็เรื่องนั้นต่อหมดเรื่องนั้นก็เรื่องนั้นต่อต่อต่อในสถิติคือความสืบเนื่องเราจ ะ, จะเห็นว่าวันวันหนึน่งเรานี้จงเกิดไม่รู้กี่ภพกี่ชาติคำว่ า, าเกิดหมายความว่าความคิดขึ้นเรื่องหนึ่งนั้นเราเกิดชาติหนึ่งแล้วเราคิดเรื่องหนึ่งแล้วกเกิดได้ชาติหนึ่งแล้วในคนเราธรรมดานี่มีอารมณ์อยู่ร้อยี่สิบเอ็ดอารมณ์ ร2อยสิบยี่สิบเอ็ดความคิดถ้าโดยย่อแปดสิบเก้าความคิดแต่ฝรั่งมันบอกว่าคนเราวันหนึ่งคิดได้ถึงหกหมื่นครั้งมันจะ อ, อะไรมานับแต่เราเอาของพุทธเจ้าของเราดีกว่าพุทธเจ้ารู้จริงอันนันคาดกันณเอายังไงไม่รู้ละมันไม่ถึงขนาดนั้นมั้งถึงขนาดนั้นเส้นโรฮิตในสมองคงแตกและคิดมากไป ที่นี่จะกลับมาพูดถึงว่าถ้ามาทางวิปัสสนาทนี้คุณโยมก็จะเห็นแต่อารมณ์อะไรเกิดขึ้นก็รู้กายเคลื่อนไหวใจรู้สึกนกคิดอะไรรู้เท่ารู้ทันคำว่ารู้เนี่ยไม่ใช่ฟุ้งนะโยมนะบางคนเข้าใจว่ารู้คิดบ่อยๆมันมันฟุ้งไม่ใช่อที่มันฟุ้งหมายก็ว่าอารมณ์เกิดขึ้นแล้ว เราควบคุมไม่อยู่เราไม่รู้บางทีกล่าวว่าจิตเป็นผู้รู้เฉยๆแต่ช่วตัวเองไม่ได้มาเจ็คลากไปไทยลากมาไปไต่ไปไก่ไปไกลไปเหนือไปอะไรสารพัดเขจะไปนะนะมาอารมณ์มันลากไปแต่ถ้ามีสติสังนี้สติอุปมาเหมือนแม่เหล็กเป็ น, นั้างไร เหมือนไม่เหล็กมันจะดูดจิตของเรามาให้ไหลไปตามอารมณ์นี่พระพุทธเจ้าจึงให้เราจเจริญสติสติจเจริญผู้รู้ให้ต่อเนื่องต่อเนื่องกันนะเมื่อสติมาปัญญาก็เกิดสติตะเลิดปัญหาก็เกิดขึ้นมาเราก็เลยไม่ให้จิตของเราไหลไปตามอารมณ์นะพรามันจะยกไม่ขึ้นแล้วขึ้นไปแล้วที่นี้ นี่แพระพุทธเจ้าจึงมาปฏิบัติจนรู้ว่าโอ้สติตัวนี้เนี่ยมันมีพลังอ่สติพละนะความตั้งใจของเราเนี่ยก็เป็นสมาธิพละอะสติสมาธิปัญญานะปัญญาพละไปงจงถึงศรัทธาก่อนนะศรัทธาพละวิริยะพละศรัทธาจึงเปียบเหมือนพ่อเหมือนแม่เหมือนบิดามดาของความเพียร คือวิยญาภะเนี่ยเพราะศรัทธามีละอย่างสุนยอมมาปฏิบัติมาฝันทำเนี่ยมาด้วยศรัทธาเนี่ยทาไมมีศรัทธากว่ามาไม่ได้อ่าเพราะฉะนั้นเมื่อศรัทธาเกิดขึ้นแล้วจะนําความสําเร็จทุกอย่างมาให้กับเราที่เราตั้งใจไว้ศรัทธานํำภพ ก, กระซับมาให้กับเราศรัทธาเนี่ยจะนําเราไปสู่พระนิพพาน เริ่มต้นศรัทธาจึงเป็นพ่อแม่ของความเพียรเมื่อศรัทธามาความเพียรมีที่ไหความเพียรอยู่ที่ใดความสำเร็จก็อยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นตอนนี้ให้เรากาหนดไปเรื่อยๆอะไรเกิดขึ้นมากับเพ่งลงไปให้ดับไปให้รู้หามันใช้คาพูดที่หรครัว่าเพียงแค่เรารู้เท้นมันก็ดับแล้ว่วนสำนวนปฏิบัติบางแง่ก็บอกเพ่งเพ่งคือให้อยู่จุดเดียว คือจุดที่มันเกิดขึ้นมานะเชื่อว่าอารมณ์อะไรก็แล้วแต่ขณะนี้เราทดลองก็ได้ญาติโยมทดลองก็ได้ขณะนี้มีอะไรเกิดขึ้นอ่ในจิตของเราแล้วก็รู้เพลงลงไปเพลงลงไปจะให้มันดับนะฉันไม่ดับกับเพลงลงไปอีกกำหนดจุูนันนะแต่ที่จริงทีเดียวมันกระดับแล้วท่านทีทั้งหลายเหมือนเราเกาถูกที่ขัดเนี่ยถ้าถูกที่มันเกาทีเดียวก็หายแล้ว อันนี้กหมือนกันพอเรากำหนดรูปปุ๊บหยุดเลยนะไม่ว่าอารมณ์นั้นจะรุนแรงขนาดไหนกันแล้วแต่เหมือนเราโมโหนะ่ะโทโศนะ่ะเวลาบรรดาลโทสาขขึ้นมานะ่ะที่เอาไาอยู่เพราะมันขาดสติที่ยิงฆ่ากันยิงกันตายนี่พอมีสติจนมจะเบกะรกจิต้นอรพึ่๊บทันทะีแล้วมันจะรู้อ๋อ ไม่เอาไมอามันจะมีนิสสมมักระนางไสโยนี้ใครกวดมาแต่และก็ฆ่าเขาตายนี้เหมือนเราฆ่าตัวเองตายนั่นแหละอถ้าเรามีเมตตาเขากับมือไมมีเมตต์ตเราด้แหละเราจะไม่ฆ่าถ้าเขาตายจะลูกเพียเขาผัวเขาอ่ า, าก็จะลําบากพ่อแม่เขาก็จะลาบากอ่ามันไม่ใช่สร้างทุกข์ให้คนเดียวนะที อาทุกไปแจกพี่แจกน้องจอจอแจกเพื่อ น, อนจกเพื่อนแจกพว่เพื่อนแจกฝูงเข้าไปเรื่อยอันสี้ ส, สติมามันก็เบรค ก, กลึกเลยทีพานั้นได้คุยกับคุณโยมนิดหน่อยบอกว่าถ้าใครพกปืนคนนั้นเปรียบเหมือนพกเพชฌขาตไปในตัวไม่จำเป็นไม่ต้องท่านทั้งหลายศิลวุฒิสมาธิวุฒิปัญญาวุฒ นี่แหละอาวุธที่พระพุทธเจ้ามอบให้พวกเราให้มีศีลเป็นอาวุธให้มีสมาธิเป็นอาวุธให้มีปัญญาเป็นอาวุธไม่มีอะไรจะทำเราได้ทั้งทั้งหลายสม้ศัตรูเห็นเรามัน ก, ก็จะอ่อนแล้วด้วยอำนาจศีลสมาธิปัญญามันไม่กล้ามาฆ่ามาแกงมาอะไรแล้วล่พหมานเพราะว่าอำนาจเนี่ะถึงว่า ท่านบอกว่าทำดีดีก็ขอพรตัวนี้แหละถ้าขอพรแล้วเราไม่ทำดีพรที่ไหนจะมารักษาเราลองไปให้พรที่พวกจิยาเสพติดตัวนี้กอกินยาบ้าเนี่ยให้พรยังไงมันก็ไม่หายยาบ้าทำไม่อยู่ยาบ้านะและ้วพรจะพากไปนี่ยมันลงไปมันก็ไปซื้อยาบ้ากิน เมาแล้วดา่าคนนั้นว่าคนนี้เพราะมันไม่มีสติคนบ้าอนีเนี่ยเขาก็จับคนท่านนั่นแหะเนียพรช่วยเขาได้ไหมล่ะพรช่วยเขาได้ไหมไม่ได้ถือพวกที่เมาเนี่ยอพอพรจะพับไปเย็นนี่นพอลงไปแลังไปกงเล่าเนี่ยเมาแล้วไม่รู้สึกตัวเนี่ยพรที่ไหนะจะมาช่วยเขา คืพวกวางแผนจะไปป้นไปจี้เขาคือนี่เราจะไปป้นที่ไหนไปจี้ที่ไหนโศเสียงบิ่งราที่ไหนเนะี่ยขอเท่าไหร่มันก็ไม่มีผลอะไรไปรักษาเขาหรอกแต่เราทําดีพระพุทธเจ้าของเราสัดไป น, นั้นหลวพออ่านเจอแล้วท่านบอกว่าทเทพดาจะคือคุ ณ, ณธรรมที่เราทํานะโอปมามันเทพดาจะคุ้มครองเราใครจะมาทําร้ายเราอ่าความดีนะั่นจะพักออกไปเลยนี้ อไม่ให้เข้ามาใกล้เราแนละ้วเดินไม่ต้องมองกับหลังก็ได้ท่านนายเพราะเราไม่มีศัตรูอะไรคนเราถ้ามีศีลสมาธิปัญญาศัตรูไม่มีฮไม่มีหรอกนอกจากกรรมเก่าที่นี่เป็นบางอย่างบางอย่างก็ไม่มีแต่พระยาเจ้าท่านหมดกรรมแล้วคุณทางใจแต่ตั้งร่างกายเป็นเศษของกรรมยกตัวอย่างพระโมคคัลลานีะ จนห้าร้อเนี่ยเอานี่มือเขี่ยทีเดียว จ, จะตกทะเลที่ไหนก็ได้แต่ทาไมายอมให้เขาสับเขาจนเหมือนฟักลาบนเนี่ยมัอยอมเหมือนสับลาบสับอะไรเนี่ย ส, สับหมูสับอะไรนี่เป็นชิ้ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นชิ้นเป็นชิ้นออกมาเกิดวิบากกรรมนั่นแหละพอลมมาพัดก็เอาเกิดเป็นพระโมคคัลลาขึ้นมาเอกเสเวย อ, อยู่อย่างนั้นจนกระทั่งว่าไปหาพระพุทธเจ้า เวลานี่ผ่านพระพุทธเจ้าอนุญาตสมควรแล้วโมกขลาทางกายกับพิเศษของกรรมเนี่ยเขาก็เธอกระไรรับเต็มที่แล้วไม่ใช่เธอเธอได้รับหรอกอ่าทางธาตุเขาก็รับกันไปแล้วแต่เพราะพระพาร์ไม่มีกายไม่มีน้ำมัไม่รูปไม่มีน้ําพระรหานโอ้หลายองค์คุณโยมแม้แต่พระพุทธองค์ของเราก็ยังรับวิบากกรรมส่วนทางพระบุรรกาย กายนั้นไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของพระรอรหันตะ์แต่มันเเศษนะเป็นเศษของกรรมคือไม่ใช่กายท่านพระพุทธเจ้าเสวยจนขั้งสุดท้ายเนะี่ยก็หายน้ํากรรมเคยไปบังคับโคตื่มน้ํากินน้ําขุนๆนะถึงพระพุทธเจ้าจะไปกระหายที่ไหนพื่อโยก็ทําได้ทุกอย่างแต่พระพุทธเจ้าก็บอกว่าให้ใหพาเราพักอยูที่นี่ก่อนอ่านน้น อาบาดไปจากน้ำมาให้เราดื่มทบขหายน้ำพ่อป้ า, านนนไปจากเออพ่อค้าเขียนห้าร้อยเล่มกํลาลังผ่านไปแม่น้ําก็ไม่กว้างคุณเป็นขี้โคนไปแล้วกลับมาทูลกลับทูลพระพุทธองค์บากว่าพ่อค้กเขียนห้าร้อยเล่มกํลาลังผ่านไป อ, อแม่ก่อนน้ามันคุณเป็นขี้โคนไปหมดแล้วไปอนุน ไปจากมาแล้ว เ, เราก็หายเพราะอาันอา่าเพราะพระพุทธเจ้าไม่กระหายเราแต่อยากสแสดงให้เห็นพอพระนรินไปเอาบาดไปตักที่น้ําเป็นเลนเป็นขี่เลนคุนๆนั่นแหะเป็นต้มล้วขึ้นมากลายเป็นน้าําใสจริ๋งเกิดความอัศจรรย์จึงเอามาทูลพระพุทธเจ้ามาถวายพพุทธเจ้าจะได้กล่าวว่าโอ เป็นน่าอัศจรรย์จริงหนอะครับผู้ชาไม่เคยเห็น่เอาบาดดักของบันกิเลสในขิ้ตมเนี่ยกลายเป็นน้ำใสอานน์อนเอ๋ยผ ม, มจันทร์ถ้าใครปฏิบัติถึงแล้วเป็นของที่อัศจรรย์ที่สุดในโลกนี้ไม่มีอะไรจะเป็นไปไม่ได้เพราะนั่นจิตของญาติโยมก็เช่นเดียวกันถ้าเราตั้งอกตั้งใจปฏิบัติกันจริงๆนะ โยมไม่ต้องห่วงหรอกทุกสิ่งอย่างมันเกิดขึ้นนะมันจะแพ้เราหมดให้แต่คนอื่นจะมาทำลายเร า, เาก็อก็แพ้ภัยเขาเองนี่พระพุทธเจ้าของเราตัดไปนะนี่พรก็คือคุณงามความดีที่เราทำนะพอมาพูดมาถึงตรงนี้น ะ, ะยิ่งคุณโยมปฏิบัติธรรมนี่โอยยิ่งไม่มีอะไรมาใกล้โยมนะโลกไปใขรเจ็บก็จะหายโย ม, อมนอกจากคุณบมงทีแล้วเคยทำกรรมไว อย่างเคยค่าสัตว์ตัดชีวิตเคยอะไรๆรไรไว้นี่แม้แต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านยังสเสวยกับอยู่เป็นบางองค์ดังๆังด้วยอนี้คนเอายาเขาเรียกยาเบื่อน่ะยอมเอายาเบื่อในสะ่อนะสงหันไปสวายท่านเอาจดมาให้กลับวัดตอนนี้ดังมากองคนี้จะไม่บอกชื่อรอแล้วยวจะ เขาไม่ให้เข้าใครเข้าใกล้เลยอย่างนี้ต้องญอาติพี่น้องดูแล ก, กับจำจนมันแสดงออกมาทางกายทางใจท่านอาจจะไม่มีก็ได้หลวงพ่อโอ้รู้จักเยอะพวกนี้คนเยอแม้แต่หลวงพ่อเองก็ยังเป็นเรื่องใช้วิบากกันแต่หลวงพ่อกับเป็นพระพุทธชนอยู่นะไม่ได้เป็นอะไรนะ แต่มันเห็นชัดเจนไอ้เรื่องที่มันเกิดขึ้นจะไม่ได้เสียใจดีใจกันมันจะเกิดขึ้นมาม า, มาเอาเลยส่วนร่างกายแต่จิตใจเธอเอาฉันไม่ได้ฉันมอบตัวไว้พูดเจ้าแล้วอ่าก็คืออ่าพูดกับเขาอย่างนี้นะโยมแต่ทางกายเนี่ยมันเป็นเศษของคำโดยเจ้าไปเรื่องตรงไหนอะจะเกิดขึ้นเกิดได้ไม่มีปัญหา ถ้าก็ดูลไปอย่างไงเนี่ยท่ mm. านั้นเนี่ยคุณโยม แ, แต่เจ้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของนี้ไม่พ้นเพราะฉะนั้นคุณโยมพากันประพัติธรรมปฏิบัติ ธ, ธรรมเงื่งที่มหัศจรรย์ที่ที่สุดในชีวิตของเราจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราเริ่มต้นไปแต่พระพุทธเจ้าของเราตัดไปว่าในบ้านในเรือนของเรานี่ถ้าเรามีศีลมีธรรมเราจะมีความเคารพพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เคารพ บ, บิดาบัรดา ครูบาอาจารย์ของเราขณะบ้านของเรามีสิ่งที่อัศจรรย์ที่สุดพระพุทธเจ้าด า, าเคารลบพ่อแม่ของเราจรงิงๆครูบาอาจารย์จรงิงพระพุทธธรรมจรงิงคำว่าอัศจรรย์เราเราคิดว่าอันนี้จะสำเร็จต้องสำเร็จยอมแน่นอนอะจะเป็นงานใหญ่ขนาดไห้ก็สำเร็จหนักขนาดไหนก็เอาได้ เพื่นทางไกลเ่ยนะไกลขนาดไหนก็ไปถึงถ้าก็เดินไปแต่ละวก้าวแล้วก้าวแะ้มันจะกระโดดพึงทีเดียวไปถึงปายทางไม่ใช่นะเดินแต่ละวก้าวเดี๋ยวมันถึงเองทางไกลก็ถึงเองกินข้าวก็กินแต่และคําแล้วมันอิ่มเองไม่ใช่แทลงทีเดียวเป็นหม้อนะแท่การที่เราทําคุณงามความดีก็เป็นเช่นนั้นสะสมขึนสสมขน้นสะสมขึ้นข่านสะสมขึ้นเลยนะ แต่หวังไม่อยากมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายบางที่อธิษฐาน์อาจนขอให้เป็นชาติสุดท้ายของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะมาอยู่ในขันมันดาโน่นนะบุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าเคยบำเพ็ญมาทุกภพกทุกชาติต่างในปรจิจชนณชาตินี้จะเกิดขึ้นจากขันฐานรักษาสิน้นจะเดิญเมตตาภาวนาคอยเป็นเหยี่ยเป็น ใ, นใจต่อมรรคผลนิพพานด้วยเถิดโน่นนะขันจะมาเกิดในขันบรนดาเป็นชาติสุดท้ายของข้าพเจ้า ความป า, ารณาความตั้งใจของเราการที่เราปฏิพฤติธรรมเนี่ยถ้าก็จะได้สมความปารนาของเราทุกอย่างนะเพราะนั้นวันนี้าทางหัวหน้าชมรมเราก็ว่าอยากจะให้ทั้งพ่อเนี่สวดสืบชะตาสะอะเคราะบูชาโชคให้พวกเราที่นี่ก็ เ, เรื่องสวดนี้เป็นของภาคเหนืออารภาคเหนือตามประวัติ่า พม่าจะมายึดเอาเชียงใหม่เนี่ท่านพากันสวดพระสพาันสวดสวดจนพม่าไม่กล้ามาเลยอ่าจะรักขึ้นบ้านใหม่เอ้ยแต่งานเอ้ยเจ็บไข้ได้ป่วยเอ้ยอดวงตกอะไรท่านทำมาเนี่ยให้ปไป ม, มาข้าไมไปขึ้นนี่เขาก็จะนิมนต์พระไปสวดเที่หลวงพ่ออยู่ทางเหนือมาห้าสิบกว่าปีแล้วคุณโยมห้าสิบสองปีแล้วะพอสวดได้ เที่ยงเบลลานี่ก็จะสวด ส, สุดชตาสะดอกข้าบูชาโชคให้คุณโยมเนาะคุณโยมก็นั่งสมาธิฟังไปพุโทโธพุโทโธพุทโธไปเรื่อยๆนะ โมตัสสะมัคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธะนโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธะนโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธะพูทตังอยุวัฏสงฆ์ชีวิตต่างยากนิพพานังสระต่งกระฉาเมตมังอยุ่วัฏังชีวิตต่างยากนิพพานังสระต่งกระฉาเมตสังฆัง อายุวัฒนานิพพิทังยาวานิพันนังสรนังกัจฉามิตติยมปอทุตยมปธรรมังอยุวันางชพวิทังยาวนิพันนังสนังกัจฉามิตติยมปีสังขังอายุวตนางชีวิทังยาวนิพันนังสรนังกัจฉามิตติยมปิพุทังอยุวตนางชีวิทังยาวนิพนนังสรนังกัจฉามิตติยมปิธรรมังอยุวตนาน วตงยาวันนี้ปังสันนักรชาม่สังขังอายุวันนังชีวิตต่างย่าวนี้ปัันสันนักราม่ละชตัวนละตวมนุสตวมนุษชาตวตัขตวอุตตกตวปาจตวาตุกตวกันกตวนาคตตัวชนะปัตตาโลตวสัตถมตวสันทิเิตวสัปฤศตวะ นั่นที่อมิขะโคนาโโคนะอาเวิดเซฆมันสัพพะเติอาชาตาราชะสุขละบาเหสยยาคาลคาเซติเหนานาปยาตวานานาโลกาตวานานาอุปัฏฐวาตววานาคังกันนตัวปณิตานาตัวปยตกระทัสสมโยัสสปปพมโยัสสปมัตมโยปัญจมหาปริเติโจริปิมเวกภวะกัติงสติ เงเป็นีิคัมมานังปตานันจ่าโพธิปันลังเกมาลาเวสยาสัพยุตยนปฏิเวทังนาวาโลกุตตะตัมเมติสเพปิเมพุทธคุณใอวชิตตาเวาลียังแต่สูปกาัตเลสุตยมราิงผลิตังการโตอยัสมนันตะเตโลเยากรุญยาชิตังอุปตะโกติสตาทหัสสุจักบาลเทวตาญาติสันปฏิกันนันติยัญจาวสาลียัมเรโลาม โนสาทุิคะชอทัติิทางเข็บปมันตะลปะเปสีปาริทันต์ดำานามหายากฮูลูฮูลูฮูลลูสหายอิุณีสาวิชายโยตมโลกะอนุตโลสปัสตะอตายังกันนาตมุเตปริวเชราชตันเดะอนุสัยปะวะเกปยเกะนเกะิเซผเถะกายะมานเณนาวสัสมามระนมมโตตาเปตะวะกรรมเังตัสเซวอนุภานัหุตโเตวสุขิสุทส ที่ล้งธรรมานาธมัสจาริตังจเลวจะเสวะอนุภาเปนนางหุตวเวสุจารสุตตะเสลาินกิน่จังบาองชาลุงกรุงเปรย์สังพัตังเทสนังสุตวัตสอายุปวตเตอินท่าชะตาเทวชะตาพมชะตามาพมชะตาอิศิชะตาหมาอิศิสตาโนิชะตาหมามมนิชะตาปุริชชะตาหมาปุริชชะตา พุทธะสัจะิเจกพุทธาตรันตสตาสปัสสิทธิวิชาฉนนัสตาสปโลกาจริยาังสตะเอเตนัสจาวาเนะตุยังสวัดทตุตุยังสว่าหายะนะโมพุทธะนะโมธรรมสนะโมสังฆสัจสญาิถงหูลูหลูลูลสวาหายะอาิอุณีสาวิชโยธรรมโลกอนุตโลสปสัตะหิตตยังกนาญเทพะเตปริบเชลชสทันเดอมนุษย์เศรษะาเกยเกก วิเสพุทิอกามลนานวสัสมะมลนามโตตเปตวาคุัตตเสวนุาเนหุตเทวสุขิสัทฤกิตังเจังปัจังวัลัลังัจังกลุงปะรสังเทสนังสุตวตสาอยู่ปวัตเตติติอินทตาเทวัศตาพุมาตามหาพมตาิสิตามหายสิตามุนิศตามหามุนิตาปริสัสตามหาปริสัตาจักกวัติศตามหาจักวัติตาปุตตาตาปเจกปุตตรน สัตตาสะเสถียริชรังสัปปโกจริยานัสตาเอเตนัสจาวเชนตยังสุวัติวันตุตยังสวาหายะนะโมพุทธัสสานโมธรรมสานโมสังกัสดสยาิทางหงหูลสบาหายะพุทโธังคะระสัมพุทโธทิปตุตตโมพุทธมังคะระมังคะมาสปะทุขาปมุนเจริฐโมมังคะระสัมพุทโธขัมภีโลตุตสูอนุกมะมังคะมสมปยะผู สรมุตเตสังโฆมงคลสัมปุโตวลตะเกนยโยอนุตลุสังฆมังะโซโรคาปังุจารอโรกญาปรมาราสันตุทิปะมะตะทังขวิสสาปรมาญติเนพานังบามังสุขังทา ข้าพเจ้าขอตั้งกิจอธิฐานอันเชิญอ布拉เมองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่อยู่ในเบื้องสูงข้าพเจ้าขอราตนาพระธรรมไปมืสีพธรรมคันอยู่ในเบื้องสูงข้าพเจ้าขอราตนาคุณบริยาสงศาบุของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์อยู่ที่ในเบื้องสูงข้าพเจ้าขอราตนาพระอินทร์พระผงพระชมพการทัทิพเทพเจ้าเหล่าเทวดาทุกมูลดาที่มีบุญญลิตอิทธิลิจึงมาปกปักรักษาคุ้มครองญาติโยมใครมีทุกข์หายทุก ม, มีโศกไายโศกหายมีโรคายโรคมีไปหายไปมีควาสมสาเร็จนจังหรทั้งปวงหมด ไปสิ้นไปพระอาทิตย์ตกลงไปเมื่อใดกล่องอให้ทุกสุขโรคไปที่มีอยู่ในกายในใจของเราให้ระงับดับไปกับแสงพระอาทิตย์ในเวลานั้นขอสัจจะอธิฐานมิสัจจะอธิฐานมิสัจจะอธิฐานมิถ้าใครมีโรคภั ย, ยไข้เจ็บใดใดก็่องห่ให้ระงับดับหายจังใจบัดนี้เป็นต้นไปเถอดส <ขอ S 1> <ท>าธุกับขอบคุณในความเมตตาขององค์หลวงพ่อวิชัย เขมยโยนะครับก็เดี๋ยวท่านใดต้องการที่จะร่วมบุญกับหลวงพ่อในการสร้างกุฏินะครับทางรับพระเถระที่วัดพุทธที่วัดคลองหกนะครับก็สามารถร่วมทำบุญกับองค์หลวงพ่อได้นะครับถือว่าเป็นการต่อยอดการก่อสร้างก็ก็ดำเนินการก้าวหน้าไป เวลาอิ่มบุญด้วยโยมเวลาอิ่มบุญด้วยโยมไปนี่อิ่มทั้งอาหารบุญบได้ใส่เต็มเลยอี่มบุญอิ่มบุญก็มันเป็นอย่างนี้นะคุณโยมคือ เวลามีงานมาที่เราก็ไปตั้งโรงอาหารนะออกโรงทานกันที่ถนนมันถนนได้นั้นนะ่ะมันแคบเลยมาจำดีกันสร้างขึ้นโยมสร้างสระเอีมบุญสิ้นหลังใหญ่คโยมไปจะนี่ก็สบายคนตกไม่ต้องฟลนลองคนไม่ถึงทานกันในในลมเราด้วยออ ขอเวลานิดหนึ่งคุณโยมที่สวดเมื่อกี้นี่คาถาบทหนึ่งนะคุณโยมเป็นคาถาเสริมอายุตลอดเสริมอายุสดก็กรับบูชาชโชคบทที่สองนั้นนะ่ะคาถานีพระพุทธเจ้าอนุญาตให้พระอนุ์ไปสวดเมืองไวสาลีนะ่ะเกิดโรคภัยไข้เจ็บคนตายมากตายชนิดว่าเหมือนพลิกแผ่นดินเนะี่ยคุณโยม เหมือนพี่แผ่นดินที่นี่ก็พอไปสรวดเสร็จกับปรากฏว่าโรคพัฒเก็บหายเลย อ, อีกบทหนึ่งที่นี่สมมติว่าเราก็อย่ซื้อไม่ง่ายขายไม่คล่องมีอะไรกิจถักข้องคาเนี่ยก็จะหลุดไปบทสุบชาตานะคืออัญเชิญเอาบารมีผู้มีบารมีทั้งหลายทั้งปวงนะ่ะมามาช่วยเราที่นี่ก็บทสุดท้ายต่ออายุ คนอิสานก็จะเอาทาเสกใต้ผูกแขนต่ออายุเทพบุตรองค์นี้เหลือเจ็ดปันจะหมดอายุพอได้ฟังธรรมนี่แล้วตอนนี้ยังยังฮะต่อพระสิริไม่ใจบัติเกิดมันเทพบุตรองค์นี้จะลงมาเกิดฟังธรรมเพงเดียวก็ได้ดวงตายิ่งดำที่สวดเมื่อกี้นี้มีเจบทที่ดีทั้งนั้นนะคุณโยมอาเชิญนะคุณโยม ก, กลัวจะเสียเวลาายุถูครับอาโยม เมื่อกี้นี้นาโยมนะพันโยมถวายสังฆทานก่อนมีเด็กผู้หญิงคนเด่งอยู่ตรงนี้เด็กผู้หญิงสวยสวๆนะอาลูปไข่คนว่าลูกอยู่ที่มันมรับส่วนบุญจะเป็นข้องไข่ไหมวันนี้เราแผ่ส่วนบุญให้เขานะ ตรงเนี้ยเอ้ยคนโน้รุกเนี่ยยะทาวลีวาฮาปูราปริปุเรนติสาคลังเอวาเมวาอิโตทินนางเปตานางอุปกะปเต อิชิตังปฏิตังตุยหังคีปะเมวัตสมิฉตุสพเพปรเปรียนตูสังกปากันโทปนรัตโซยถามณีโชติราตโซยถาปัตยนี้ไดเมทายกทายิกาน้อมนำมาแล้วซึ่งฉตุปัจจัยเครื่องทยฐานมีพาจิใตใจกีวอนเป็นต้นทวารฐานวันนี้เพราอบุญกุศลนี้จงเลเป็นพรอันเลิศเป็นพรอันประเสรศิฐเป็นบ่อกเกิดแห่งความสุขความเจริญดลบันดาลประทานพระพรชัยท่านทั้งหลาย คนทุกคนโศคนโรคคนภัยคนฉักอุปตะวะอันตรายทั้งหลายทั้งปวงคนจากกรรมจากเวททั้งหลายทั้งปวงคนจากนิมิตทั้งลายทั้งปวงแต่บัดนี้เป็นตนไปขอชีวิตของท่านจงจเจริญด้วยอายุอันนาสุขาภรณ์ปฏิภาณตระหนสารจะทำธุรกิจการงานใดๆขอให้ประสบความสําเร็จในชีวิตให้ประสบความสําเร็จในที่การงานแจะอุทิศกุศลพลท า, านอันเกิดขึ้นจากการะทําานการะทําในวันนี้ก็จง ไปหาบรรพบุตรเมริดานมนดาโคยาตายาญาติ โ, โกวติกาเทพบุตรเทวดาคุณลบุตรกุณลติดาและเจ้ากรรมนายเวททั้งหลายที่เคยร่วงเกิดชีวิตของเขามาแล้วด้วยกายบาชาใจด้วยเจตนามเมจตนาต่อหน้ารับหลังจําได้จําไม่ได้นะอดีตชาติก่อนก็ดีในปัจจุบันาชาตินี้นก็ดีคอยดวงวิญญาณของท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงได้รับอนุโมัตนาด้วยเทวดารับอนุโมัตนาแล้วถ้าตกทุกข์คอยพ้นจากทุกข์ถ้ามีความสุขคอยมีความสุขเพีงเย เป็นไป และขอให้ยกโทษงดโทษและโทษอภัยโทษอาโหสิกรรมไม่แก้ต้นทั้งหลายแต่ปฏิเสธไปจนไปจะมี้เบีมีภัยซึ่งกระดกันจะได้มาเบีดเบียนซึ่งกันได้กันตัดเท้าเข้าสู่พันธุ์่านโสทาโตสุขิตตวิรุณโภพุทธสาเสนอโรโคสุขิโตโอเอสังนัสสเปหตยติพิอโรขยา ป, ปรมาราภาสันตุเิปรมังธนังวิสาสาะปรมายาติเนพานังปรมังสุ ข, ขัง พ่ขอขอให้ทุกท่านได้กล่าวนโมสามจบนะครับเพื่อกล่าวคำขอข้มาในลำดับต่อไปนะครับนโมตัสสะสัาาวะโต ปัมมาเดนาดวารัตยนาตังสัพพังอภปราชังขมตุโนพันเตเรเปัมมาเดนาดวาระตยนาคตังสัพพังอภปราชังขามตุโนพันเต เทเรปมาเดนะสวารตเยนกตังสัพพังอาปาราทังขมาทุโนพันเตสัพพังโทสังขามามะทุเมฆะเมปิมิตตปังขามามะพันเตสัพพังโทสังขมามิตเมฆะขมาปิมิตตปัง อามะพันเตทมางโทรสังฆา ม, ามิโตเมหิธรรมาภิมิตบาบังทาาี่ยอมบังนะท่านครับครับในานามชมรมพุทธบริษัทโถนคมนาค่มแห่งชาตินะครับกระผมในกิติรประเพประธานชมรมพุทธให้ ข, ขอกลาวกับคุณ หลวงพ่อวิชัยเขมิโยเป็นอย่างสูงครับที่ท่านเมตตามาในวันนี้นะครับขอให้ทุกท่านได้สาธุการดังๆสามครั้งกับบุญอุสลในวันนี้นะครับสาธุสาธุสา สวัสโตพระวะสดิ์มโมธรัมละมัิสุปฏิปันโนพะสวะสดิโตสวัสดิ์สังโฆสังขังนามิือลานี้เดียวยอม ที่ยอมเห็นอะไรไม่ใช่ยอมคิดนะถ้าคิดยมจะเห็นยอมเวลาแผ่เมตตาเตาที่สามของเราอยู่ตรงนี้แผ่ออกไปตรงๆฮรับพอเรานั่งนิ่งๆเนะี่ยถ้าอะไรจะปรากฏจะปุ๊บขึ้นมาแล้วจะเป็นภาพขึ้นมาถ้ายอมคิดจะไม่เห็นเน่เพราะนั่นเวลาแผ่เมตตาส่งให้บุญก็ น, ะนี่แหละที่อุณโลมในอุณโรมสัปดาหที่สามออกจากนี้ เพ่งบ่อยๆหน่อยคุณโยมถ้ามันมีเรื่องทุกข์ใจอะไรนั่งนิ่งๆหน่อยแต่ให้เรากําหนด ต, ตรงนี้ถ้ามันนิ่งแป๊บเดียวไม่นานออกมันจะพุ่งออกไปให้เราเห็นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับเราหรือมันเกิดขึ้นแล้วอันนี้เป็นเคล็ดลับนิดหนึ่งกวกชาวมาเลเซียสิงคโปร์นะถึง ม, งมาวันเกิดสมาวัตรเรเยอะเลยพอไปสอนตัวนี้เขาชอบมาก เขาทำแล้วเขาเห็นเขาตั้งใจทีแปลกเหมือนกันนะเจแต่พวกเรารู้หมดสนะเนาะขอาการถามลงพ่อคือคือต้องไม่คิดใช่ไหมครับไม่จ้องไมจ้องเพราว่าเราจำเนี่ยนั่งถ้าคิดมันจะไม่ไม่รู้อะไระทางเสรๆียันจเุเบาพพึบขึ้นมาเนี่ยลต้องต้องไปจับอยู่ตรงนี้แบบใช่ไใช่ใช่ใชใช เมื่อเรียบร้อยอุณรมที่พุทธเจ้าทอดไข่พยานยังไงเห็นไหมพระพุทธรูปที่มีอยู่เนี่ยนะสัญลักษณ์ตาที่สามสญญาตาที่สามสำคัญนะอันนี้ลองลอ ง, ลองดูนะคุณโยมนะเรามีเยอะเรื่องเยอะพระพุทธเจยาสอนไหวไม่ต้องห่วงเนะราเรื่องอย่างนี้คะเรามีบุญมากวันนี้โยมมีบุญมากนะนี่มีบุญมากทุกท่านเลยเถ้าทาบุญพวก มาลักส่วนบุญกุศลกันแล้ว้องเราแสดงว่าพวกเราไม่ีบุญละอขอบอกขอ บ, ขอบใจทุกท่านคอย้ไ ด, ดวงใจเห็นธรรมทุกท่านนะเย่งที่เราแผ่ให้ลูกให้พ่อให้แม่นี่ก็โยมปับทันทีละเหมือนใช้นังถูกจอได้ละ สมลมพดไม่ใช่สมลมพูดนะสมลมพูดถึงเถียงกันอยู่เรื่อยไปเข้าใจกั น, นคําว่าพูดในรู้จริงแล้วคําว่าจริงในไม่ต้องเถียงกันนี่เห็นไหมในรวงของเราออกมาโพูดช่วงนี้นคนรู้จริงเขาจะพูดแต่ความจริง คนไม่รู้จริงเขาก็พูดแต่ความไม่จริงนี่ท่า น, น, นออกมาหลายครั้งแล้วนะเนี่ยทำพูดตัวนี้เป็นสัจธรรมเลยในหลวงเ้วตรงปัจจุบันนี่เมื่อคืนนึงพ่อกับฟังท่านออกใส่ขันทีบีด้วยนะคนจริงเขาจะพูดแต่ความจริงที่พูดไม่จริงเพราะคนไม่จริงคนจริงทำอะไรต้องได้จริง เป็นโอวาทที่เป็นศัจธรรมเลยพุยมสูงส่งมากคำพูดพ่อครับท่านมีคำว่าสุขภาไม่เป็นไรอ๋อถามอันนี้ก่อนพุยมเกิดปีอะไรเขาอีกไหมนะไม่ใช่ไม่ต้องเช็กดูที่นี่ว่าอะไรมันมาเบียดเบียนเนะรไว้ไม่เข้ามาหรือไม่กนกำลังจะออกไปมันจะได้แน่นอนฮะ เออแล้วรับตาสิรับตามันกระเพ่งโดนกำหนดนะกำหนดนเพ่งนะยอมเกิดปีอะไรงไม่ใช่ไม่ใช่ชดสรุปนะปีจอ ขออภัยนะถามอายุโกรธไหมนะนถามอายุจะโกรธไห ม, ไมอายุเท่าไหร่ฮนะหกสิบห้าหกสิบหกสิบกนี่มันกำลังมาเตือนนะนถ้าขึ้นขึ้น6กสิบหกนี่ไฟเหลืองแหละไฟเหลืองรู้วสัญญาณไม่ดี เ, เดี๋ยวจะบอกวิธีแก้มนะันที่นี่ ก็ต่อไปอีกจะเป็นไฟแดงถ้าไฟแดงหนึ่งสุภาพเป็นดีไฟเหลืองก็เริกเป็นแล้วสุภาพเป็นดีนี่แหละมันมาเตือนเนี่ยสองอุบัติเหตุสามเสียเงินทองมากสี่คนจะหาเรื่องใส่ห้ามันจะเสียของรัก บอกมันจะมีอุปสรรคการทำงานเลยหกอย่างนี่มาแน่งานพิธีแก้นะที่นี่ให้คุณโยมไม่ต้องให้ถึงวันนั้นไปแดงหรอกตอนนี้ให้คุณโยมไปปล่อยปามากกว่าอายุตายไรก็ได้แล้วก็ปล่อยนกปล่อยลาบมันไม่ค่อยมีลาบมันจะค่อยหายไปหายไปนะเวลาตัวนี้มันเข้ามานะอ่า เพื่อนฟูงก็ชอบกตีตัวหังแล้วทีนี่ใครๆก็เหมือนกัน น, ะนี่มันมันไปหมดแล้คุณโยมคแล้วตอนนี้ก็ไปเต่าเต่ามันจะต่ออยู่ให้เรามันไม่มีเวลาพูดให้ฟังเรื่องเยอะเลยคุณโยมตัวนี้มันมีที่มาที่ไปที่พูดนี่น ะ, ะแล้วก็สวยสังฆานเจ็ดครั้งมันจึงจะยอมนะอย่างคุณโยมใส่บาทถ้าโยมไม่แผ่เม่จานี่ถือว่าทาส่วนตัว ถ้ายมใส่บาตรด้วยทำบุญใดทุกครั้งเนี่ยแห่เมตตาขอบุญกุศลนี้ครับเจ้าทำลงไปเนี่เกิดขึ้นจากการในทานรักษาสินเจริญเมตตาภาวนาเช่นภาวนาฟังธรรมเนี่ยพอเห็นปิดใจต่อพระนิพพานธาถึงทำมาถึงพระนิพพานกันได้ท่านเจ้าพบได้พรมใด้ยาได้คอยข้าพเจ้าได้เจริญธรรมธรรมการสอนของพระภูมิพระเจ้าตลอดไปเนี่ยจนกว่าข้าพเจ้าสังเกตผ่านหรือว่าจะพูดเอาสั้นๆกัได้คอยดวงวิญญาณทั้งหลายที่ข้าพเจ้าเคยร่วงเกินมาแล้วด้วยกายวาจาใจด้วย เจตนามืเจตนาต่อหน้ารับหลังจาได้จำไม่ได้ในายเดชชาติก่อนคุดีในปัจจุบันชาติเนี่กดีพรดวงวิญญาณเหล่านั้นจงได้รับอนุโมทนาเมื่อรับอนุโมทนาแล้วถ้าตกทุกข์ข้อยพ้นจากทุกข์มีความสุขข้อยมีความสุขนี้ยิ่งขึ้นไปแต่ก็ให้ยกโทษงดโทษละโทษอาพระยะโทษอาวสิกรรมในแก่ข้าพเจ้าอันนี้คือการใช้หนี้กันนี่ถ้าเปรียบเทียบเหมือนเราใช้นี้เราใช้กรรมใช้เวรกันต้องให้เขาอาวสธศีรามให้เราบานทีเนี่ยคุณยม พอไปนะถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยมันจะเกี่ยวเนื่องกับก็ที่เราเคยแต่ก่อนนะในไม่ชาตินี้ก็ชาติก่อนเราเคยทําแท่งไว้มันไม่ให้เราอยู่มีสุขแน่นะแต่ผู้ชายระวังตาลุกมากบอกชวนกันไปเนี่ยเขาเรียกกรรมรวมกรรมกันชวนกันไปนี่มันเกิดขึ้นจากนี้คุณยมสังเกตดูซิเดี๋ยวมันกัเป็นนั่นเป็นนี้อยู่เรื่อยคนเดินเอ๊ะมันกัคนเหมือนกันทําไมมันไม่เป็นเหมือนหลังเนี่ย ก็มันทำกันมาไม่เหมือนกันได้เงินมาเออฝากไว้ไม่กี่วัน้วก็จะไปถอนแล้วเวลาได้เงินมากะนั่นกมีใจเรื่องจะซื้อมดมันไม่ให้เราเก็บเงินถ้ามีสามีก็ไม่ให้เข้าใจกันเวลามันออกบ้านพูดกับคนอื่นก็นเอาน้ำอ้อยน้ำตาลไปฝากเขาน้ำพึ่งไปฝากเขานะเวลากลับเขามาบ้านมันเอาน้ำกดมาฝากเรานะสาดใส่ดินพลาดพราดเนี่ย นั่นะนะมันกำจากตัวนี้มันไม่ให้มันไม่ให้มีสุขผลงานแท่ถ้าเราไม่ทําให้มันกระทุกข์ทุกข์าช่ ก, กันไปนี่ให้โยมไปถ้ามันมีอาการนะเช่นมันปวดขาเนี่ยอันนี้เรื่องมันเกิดอยู่ที่นะคุณโยมถ้ามันเกิดอยู่ทุกที่เนี่ยแต่ว่าปรากฏอยู่ตอนนั้นหลวงพ่อไปยุโรปสวิตก็ทําทงานอยู่ในกองสุในสถานทูตนะคนเนี่ยคนลําพูนหลวงพอไปไหนเข้ากันไป ไปฟังธรรมนะเพราะวันนี้โยมที่มนต์บันนี้โยมนีมนต์บันนี้โยมนี่มนต์เป็นบาสเป็นบาสไปเนี่ี่กกในช่วงที่หลวงพ่อสอนกรรมฐานโยมเห็นเด็กคนหนึ่งกระโดดขึ้นบาเนี่ยกระโดดขึ้นแล้วกระโดดลงเด็กผู้หญิงกรดขึ้นกระโดดลงสัวจำมัําเหมือนแม่เขานั่นแหละทีนี่ก็เสร็จแล้วเราไม่เคยปรากฏทางนี้เลยก็เลยถามแกบเบาหรอกเพอแกจะอายเนาะ โยมจะทําอะไรสักอย่างโยมจะโกรธไหมไม่โกรธต้องพอแน่นะแน่เพรกลัวก็จะบาถ้าเราโกรธให้แล้วนะเสร็จแล้วก็สมเคยแท่งไหมสามครั้งเนี่ยก็จะตั้งร้านอาหารก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้คุณโยมทำอะไรก็ไม่ได้เลยมันขัดมดติดขัดหมดเพําะทำไมันก็ได้คนหนึ่งอยู่นี่สมุทรสาครนี่คุณโยมอยู่บ้านเรานี่ยที่สมุทรสาครเพื่พอนมันมัด น, นั่ง นุ่นกระจงเศษแดงๆนั่งอยู่โต๊ ะ, อะตอนรับผ่อนนะหลวงพ่อก็เลยถามเขาเขาเป็นอาจารย์สอนกรรมฐานด้วยสิเขาว่าโอ้หลายคนเช่าบ้านเขาอยู่แต่ก่อนถ้าไม่ที่คัดโยมแย่ยเกอีก็จนน้อยใจเขาว่าที่หลวงพ่อก็พอบพดเรื่องนี้ฟังเขาก็รีบไปตลาดไปรีบไปชุชดเด็กาหันเด็กมา ทันทีเราเคยเลี้ยงลูกมาสบายคะพอสบายปั๊บมันเป็นเทพทันทีเลยแย่เหมือนกันเนี่ยบุญกุศลนี่เป็นสิ่งเสื่อมชัดเจนก็เหมือนพระพุทธเจ้าเสด็จไปแล้วพอแผลไม่ตายเขาต้อเข้าก็นดับแล้วก็าแขึ้นสู่ที่ดีเลยตอนนี้โอ้ทางบ้านห ล, ลังเหลือเลยเสื้อผ้สื้อทางได้สบายอะไรก็ดีไปหมดตัว น, นี้นี่คือเราทำํำไมเขามานันจะใช้นี่ยเขาก็โอ้โหสิกับไม่เา แล้วก็สุขภาพก็ดีอะไรๆก็ดีดีขึ้นหมดเนี่ยนี่ถ้าม่มีเวลาก็จะไปเจอพระหลอกผีกันแล้วกัน <c oughs> <c oughs> ถ้าเจอพระหลอกผีแล้วก็รอ๋อมันยะท า, าอยู่แต่จิตเข้าไปเที่ยวตลาดบิ๊กซีที่ไหนรถตัดที่ไหนหนูนะ่นอย่างนี้งนะ่าจิตไม่แน่แน่นะก็อันนี้ก็ลําบากเหมือนกันดัง พ, พุทธเจ้าจังหวะพิจยยะธนังสุขจับปัสตังกันเลือกให้พระเจ้าโคดเจ้าทรงสรรเสริญยังไง ถ้าไปเจอพระเรอเพียกับลำบากเนาะทานเท่าแรงก็ไม่ถึงแล้วมันส่งจดหมายไปภาคใต้เ อ, อ้าดันไปส่งไปภาคเหนือมันจะไปถึงเหรอเพราะพระไม่รู้นะอันนี้เปรียบเทียบนะถ้าพระเขาแน่แน่ปุ๊บก็ปั๊บกันทีเลย